พระธรรมเทศนาแ่นที่8 2ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวาวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงทางในวันที่10มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าเป็นหูเป็นตาช่วยกัน เมื่อนี่เป็นวันที่สมิถุนาจนพุทธศักราช2 5 5 8้อ้เมื่อเป็นฤกษ์สันวันดีพวกเขาได้ทำบุญบ้านอันดับแรกก็ได้ไหวพระสวดมนต์อะรับศีลจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้ได้เจริญพระพุทธมนต์จ่อปล้งแล้วก็ได้ถวายท่านอุทิศโวนกุศล ต่อผูต่อูมีอุปกรณคุณในบ้านของเฮามือปีหนึ่งเฮาพวกเฮาจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่พี่น้องปูญาตายหญ่บ้องสาขนายาดญาติามิตรสหายจะตรอดถึงภูมเิเจ้าทีที่ปกปกักรักษาหมู่บ้านเฮาให้ลมเย็นเป็นสุกสุกกายสุกใจทุกข์ูทุกขนเมื่อเนีเป็นมือทำบุญอุทิศส่วนกุศล แล้วก็เมื่อกี้เนี่เมื่อคณะที่ถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นช่วงว่างพวกพระสงฆ์จำลังจัดอาหารกให้เชิญให้ท่านผูกกำกับอำเภอหน้ายุ่งของเฮาเพิ่นให้พบปะกับพี่น้องประชาชนเพเิ่นวาเมื่อกี้ในกร น, นาฟั่งของเพเิ่นได้ไอ้พอยนั่นนะให้พี่น้องสทัทยายญาติโยมลูกหลานทุกขู่ทุกคนนะ่ะฟั่งไปแล้วก็นํ่ไปคิด เบิงหลูกหล้านของเห่าถ้าหาว่าหลูกล้านของเห่าพิษปกตินอนตื่นสายบังก้าวเหล้าบ้างลักษณะจังสันเพลินว่มมาก็ให้พวกเห่าเบิงให้เพิกเห่าสังเกตก็ให้ปิดไปปรึกษากับเพินเพินกระจีบโแมะจีมาจับไหมใส่โทษทีเดียวได้เพินกระจี ม, มาเบิง ม, มาบอกกาวแนะนําสะก้อนแล้วกระตักเตือนอให้เป็นคนดี จากนั่นมาเพิ่งกับจิตเอาไปบำบัดคานาว่ามันเสียหายแต่ถึงอย่างไรก็ตามอาพอแม่ผู้ยู่ไก่เชิดนี่แหละต้องเบิงเพราะว่ามันเป็นพิษไัยคือมาว่ามันเป็นพิษไัยกับผู้อื่นเนีเป็นพิษไัยกับคนอยู่ในบ้านนั่นแต่พอมันเสพติดคือม้าแล้วมันบอดเงเงินมันจะขาพอ่อขาแม่ขาพี่ข้าน้องขาลูกขาหลานของพวกข้าผู้ใหญ่ยู่ไก่ไๆนั่นแหะ ไว้นั่นให้เบิงให้สังเกตให้เป็นหูเป็นตาช่วยส่วนราชการสิ่งเรานี่ยเนีท่านผู้กำกับที่เพิ่มเมื่อกี้เนี่ยลงพอกับฟังฟังฟ่งเพิเม่มกับแม่นความเพลินในหลูกหละเนีย เ, เพื่อความล่มเย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนแล้วก็มูบานแต่ละมู่บานผู้ใหญ่บ้านแตงต่างขึ้นมากเพื่อจะให้ดูแล ป, ปกป้องพี่น้องประชาชนในท้องทิน่นในมู่บานของเฮ้าสิ่งไหนที่มั่นบอดีในสายถุงสายตาของผู้ใหญ่บ้าน พยาบาลก่อเออเอิญผู้เฒ่าผู้แกไอ้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่จะมีศักยภาพในหมู่บ้านก็บมหาฤกษ์นางเขานางตองล่อมว่องกันแหละกัปรึกษาปาละ้อเออลูกหลานของเข้าเป็นยังไดงยิง่งดื้อด้านก้าวเล่าจังสี่เข้าจิเหต์จังได ห, หาทางออกจังไดบอกก้าวจังไดไผจะเป็นผู้ไปบอกไปก้าวเอ่เซิงโมนิเขาให้พวกผู้เฒ่ผเาผู้แกน่ะเป็นผู้รู้แล่ปกป้องประเทศ ปกลป่องบูบ้านของเจ้าของไอ้ใจผู้อื่นมาเบิงบ้านเจ้าของบอมนแนวเอยบ้านเจ้าของนั่นะวกเข้าเลยละ่ะทิจูน้ากันนี่ละ่ะมันเดือดร้อนกันก็ซอยๆยกันเบิงเบิงหลูกเบิงหลานของพวกเข้ากันหลูกหลานของเข้าเป็นคนดีเลี่ยนหนังสือใดดีจบไดดีจิมไปใส่ก็ต้องกับมานูแลพ่อแมอ่ไปอยู่ใสก็หาเงินหา ข้ามทรัพย์สมบัติมาส่งพ่อส่งแม่พ่อแม่ก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข์ถ้าลูกเข้าลูกหลานของเข้าเกลีเล่ลูกเข้าออกนอกลูนอกทั้งยาหวังเลยจะได้พึงพาอาศัยลูกหลานของเข้าภายในพวกเข้าน่าลูกหลานพ่อแม่ปุยยาแต่ย่าทั้งหลายน่าซอยเบิงหลูกเบิงหลานของเจ้าของอันนี้ท่านผู้กากับท่านแน่นําแล้วก็ท่านนายกพูดเป็นคนที่สองอีก เพลินกับพูดแบบจ่นย่อแต่ถึงอะไรก็ตามเพลินเน้นในการศึกษาที่เพลินมาสั่งอาคารเลี้ยนให้เด็กหน่อยวอนก่อรวัยเลี้ยนเพลินกบับบอกเป็นหนาวฟังของเพิินอยู่วันนั้นขอให้พี่น้องลูกหลานให้ฮักหักพื้นที่หักสถานทีของเจ้าของในหมู่บ้านใ ห, ให้ใช้ใจในหมู่บ้านมอดขาดเรือขาดโต๊ะจังได ผู้แย่บ้านนั่นแหนะผู้เฒ่าผู้แก่ น, น, นั่นแหละมัดมามัน ม, ม, มาสอดซองออม้าดูโรงเรียนของเจ้าของเออขาดยั้งคู่เอ้คุณนคู่ขาดยั้งมียั้งเจะได้มาบอกม้าเกาเคู่ใบาาจานที่เป็นลูกหลานของเฮ้าที่เป็นคู่สอนเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เขามากระจิโอนอกอุนอก อ, น อ, นอุนใจคือกันได้ถ้าหารบอกว่ววมีอะไรบมางเหลียวมาแล้จะเลยมีแต่ลูกหลานลูกเล็กๆดแด ง, ดงด กระจงองงอแงยุหันมัดคู่บาอาจารย์ที่เป็นลูกเป็นหลานของเฮาเด็กหน่อยเขาก็ทํางาน เ, าเขาก็ลําบากก็เลยขอให้ผู้เฒ่าผู้แกผู้เยาว์บาดผู้ช่งคนในหมู่บ้านก็ให้ความใส่ใจในลูกในหลานของพวกเฮาหอมในบุญเป็นจีปอยอส่งมันหลงเรียนกับปอยตัดถางปลอยพ่อปันปลอยหมูปลอยหมาเขาวัดโมดเมตนตแน่เด้ันนี้ก็ค่อยซอยกันเมือง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการพัฒนามูบานของพวกเฮ้าอย่างที่ท่านนายกได้พูดนะน่ะให้ซอยๆกันเบิงนูกหลานเนอะอันนี้ทีท่ท่านบอกไปเดี๋ยวหลวงพ่อยจะเรื่องหลวงพ่อกระหมาเมบอกมากาวตอนที่หลวงพ่อจะให้ประพุมธนามพระพุทธมณฑเดี๋ยวหลวงพ่อยจะบ้าอีกรอบนึงอบอกเรื่องอสินเหลืองถ้ำบาศ น, นี่ให้กับคณะท า, ายาทโจมนี่อมได้ฟังแต่ตอนนี้หลวงพ่อยเจืออนุโมทนาพระสงฆ์อนุโมทนาหายพรอจกร เป็นรอบแรกนะแต่จะพึ่งกลับเนะ่อกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์บัดให้ทั่วให้ถึงกันให้ชโลมทั้งใจชโลมทั้งกายให้ยูเย็นเป็นสุกซุกกายสุกใจให้พวกเข้าต้องการสุกกายสุกใจพอดันขอให้พวกเข้าจะรีบมือหนึ่งปีหนึ่งก็มีดเทื่อเดียวเท่านี้ละ่ะมันมีหลายมือเพราะนั้นมือหนึ่งอดเอาซะขั้นมาสีรุย่ยมันก็รลุยมา ก, ก่อนแล้วมันจีบลุ่ย ในมือนึงมือหนึ่งมือเดียวมันสีโจนเขื่อนมันเขาบอกมันสีโจนในมือนึ่งมือเดียวเขื่อนมันก็คงจะโจนมาตลอดเขืกันเพราะนั่นมือไหนให้อดใจใหญ่ๆว่าสักน้อยก็ดีเขื่อนนะลูกหลานนะกินเข่ากินหนามน้ากันเบื้องหนา้าเบื้องตากันจูน่นา้ากันเนแล่วการแล้วงานอย่าคอยคอยกับน ะ, อะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาอุทิศส่วนกุศลนานะอย่างที่ ผู้หมวดเปินบอกกล่าวนั่นนะให้อุทิศนกุศลถึงพ่อแม่ปุยาตายายป้องสาขณะญาติญาติมิตรสหายผู้มิเจ้าทีเจ้ากรรมในเว้นเปินบรลา ย, ยายให้พวกเข้าได้ยินได้ฟังนะตอนนี้ไปผาสงอนุโมทนาให้เท่าอุทิศนกุศล อ, อย่างที่ผู้หมวดได้กล่าวไว้นั่นแหละนะ <c oughs>